นิยายเรื่องคุณหนูใหญ่เกิดใหม่ขอเปลี่ยนใจไม่แต่งงานตอนที่หนึ่งยี่เยาตรหนักได้ว่านางกลับมาเกิดใหม่แล้วในขณะที่ยังคงตกอยู่ในภวังแห่งความเจ็บปวดจากการตายทั้งกลมนางก็ได้ยินเสียงของเจียนเจียสาวใช้คนสนิทพูดขึ้นนายท่านกับคุณชายกลับจากประชุมเช้าคงต้องหุดหิดอีกแน่สาลี่ตุนน้าตาลกรวดของคุณหนูถ้วยนี้ช่วยแก้ร้อนในได้พอดีเลยเจ้าค่ะนี่คือเรื่องราวตอนที่นางยังไม่ได้ออกเรือน เย่ยานึกออกในทันทีเป็นเพราะวันนี้ท่านพ่อและพี่ชายมีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับสิ้นอองในราชาสำนักฝาบาทเพื่อที่จะคลี่คลายความขัดแยง้งจึงได้พระราชาทานสมรสให้นางแต่งกับซื่อจือแห่งจวนสิ้น อ, องหลินเซินชายผู้ที่เกลียดนางเข้ากระดูกดําในชาติที่แล้วและทําให้ต้องนางตายทั้งกลมก่อนที่จะยอมรับเรื่องราวเหลือเชื่อราวกับเทพนิยายอย่างการเกิดใหม่นี้ได้อย่างเต็มที่นางก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดลุกพรุดขึ้นจากโต๊ะทันทีเจียนเจียข้าจะแต่งงาน การน้ำชาในมือของเจียนเจียร่วงลงพื้นเสียงดังเคร้งจนแตกกระจายนางถึงกับยินบื้อทำอะไรไม่ถูกขอเพียงนางแต่งงานออกไปก่อนฝาบาทก็จะไม่คิดเรื่องพระราชทานสมรสอีกเส้นทางเดิมในชาติก่อนนั้นขมขื่นและเจ็บปวดเกินไปนางจะไม่ยอมเดินซ้ำรอยเดิมเด็ดขาดไปลู่สาวเชวอีกคนได้ยินเสียงก็ถืออ่างน้ำวิ่งเข้ามาเมื่อเห็นเศษ ก, การน้ำชาเต็มพื้นก็อดไม่ได้ที่จะดูเจียนเจียเจียนเจียจะเป็นอะไรไป ปริบัติคุณหนูมาตั้งนานทำไมยังซุ่มซ่ามแบบนี้เจียนเจียตอบเสียงอ้อมแอมคุณหนูบอกว่าจะแต่งงานเครงอีกเสียงหนึ่งอ่างน้ําในมือของไบลู่ก็ร่วงลงพื้นเช่นกันน้ําที่เย็นเฉียบประเด็นโดนข้อเท้าทําให้สมองของเย่เยาในตอนนี้ปอดโปร่งอย่างยิ่งคุณชายชูยังอยู่ในเมืองหลวงหรือไม่สาวใช้ทั้งสองมองหน้ากันไปมาก่อนจะตอบด้วยอาการอึ้งๆคุณหนูหมายถึงคุณชายชู่ชื้อหรือเจ้าคะ ได้ได้ยินจื่อเพ่ยคนสนิทของคุณชายบอกว่าเมื่อวานซืนเขาได้ส่งเทียบเชิญมาคุณชายออกไปพบเขามาแล้วเจ้าค่ะเยี่ยเยาเช่นนั้นเขาก็ต้องยิงอยู่ในเมืองหลวงแน่ไปสืบมาว่าเขาพักอยู่ที่ไหนข้าต้องการพบเขาสาวใช้ทั้งสองเบิกตาค้างอีกครั้งก็ลังจะบอกว่ามันไม่เหมาะสมแต่เยี่ยเยวก็เน้นเสียงหนักแน่นเดี๋ยวนี้ทั้งสองคนกลืนน้ําลายดังเอือ้อก่อนจะรับคําสั่งและรีบไปจัดการ เย่ยวนั่งรออยู่ในห้องเพียงลําพังทุกอย่างในชาติก่อนยังคงติดตาทั้งเปิดเจียงจักรพรรดิองค์ใหม่ของตันตีขึ้นครองราชมีเจตนาจะกลืนกินเมืองชายแดนของราชวงศ์เราท่านพ่อพี่ชายและสิ้นอ๋องเป็นกลุ่มคนที่ถูกวัดระแวงที่สุดจะมีการส่งสายลับมาขโมยข้อมูลของทั้งสองตระกูลการพระราชทานสมรสของฝาบาททําให้นางตกเป็นเป้าหมายและถูกลักพาตัวเพื่อบีบให้นางไขกลยุทธ์การรับศึกของทั้งสองตระกูลออกมา นางไม่ยอมปริปากพูดแม้แต่คำเดียวเมื่อตื่นขึ้นมาสิ้นอ๋องก็ถูกลอบสังหารจนสิ้นชีพเนื่องจากความลับทางการทหารรั่วไหลแต่นางกลับกลับมาได้อย่างไร้รอยขีดข่วนไม่ต้องสงสัยเลยนางกลายเป็นคนบาป ท, ที่รั่วไหลความลับและสมคบคิดกับศัตรูต่างชาติส่งผลให้ครอบครัวถูกใส่ร้ายด้วยข้อหากบฏขายชาติลินเซนจึงเกลียดชังนางตั้งแต่นั้นมาและปรับใจเชื่อว่านางคือฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเขา ท่านปู่ท่านย่าล้มป่วยด้วยความโกรธแค้นราชสำนักใช้ผู้อาวุโสทั้งสองและเยี่ยเยาเป็นตัวประกรันบีบบังคับให้ท่านพ่อและพี่ชายออกไปรบที่สนามแนวหน้าเพื่อขับไล่ศัตรูชนะครอบครัวรอดแพ้ครอบครัวตายทันทีที่ท่านพ่อและพี่ชายจากไปนางกลับกลายเป็นยาที่ใช้รักษาอาการไร้บุตรของซื่อจื้อแห่งจวนิีนอองนางถูกทำลายโฉมหน้าและเสียงจนกระทั่งตั้งคันอย่างไม่คาดคิดและได้เป็นซื่อจื้อเฟย ท่านยาและท่านปู่ทยอยสิ้นใจในคุกคนในจวนอองต่างรุมรังแกและทรมานนางหลิงเซินยิ่งมองนางเป็นศัตรูคู่แข่ง น, นางต้องทนอย่างอัปอยสอดสูเพียงเพื่อลูกในครันจนกระทั่งข่าวการตายในสนามรบของท่านพ่อและพี่ชายส่งมาถึงนางก็ตายทั้งกลมและจนวินาทีก่อนตายยังคงร้องตะโกนขอความเป็นธรรมนางไม่ได้กบฏขายชาติไม่ได้ฆ่าสิ้นอองและคนตระกูลเย่ยทุกคนล้วนตายอย่างอายุติธรรมเ ย, ย่ยาวสันสถานไปทั้งตัว นางต้องสูดลมหายใจลึกๆหลายครั้งกว่าจะสงบลงได้อีกสองวันราชาองค์การพระราชาทานสมรสของฝ่าบาทจะถูกส่งลงมานางมีเวลาเพียงสองวันเท่านั้นต่อให้แต่งงานไม่ได้นางก็ต้องมั่นหมายไว้ก่อนชูชื้อเป็นลูกพี่ลูกน้องห่างๆของนางนิสัยใจคอและฐานะทางบ้านไม่เลวเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งอยู่ห่างไกลาจากราชาสำนักและยิ่งอยู่ห่างจากหลิงเซินได้ยิ่งดีเขาเหมาะสมที่สุด หากไม่มีการพระราชทานสมรสนางก็จะไม่ถูกจับตา ม, มองไม่ต้องกลายเป็นคนบาปที่รั่วไหลความลับสมคบคิดกับศัตรูจนทําให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนกว่าเจนเจียและไปลู่จะนัดแนะกับฉู่ชือ่อให้พบกันที่หอทิงสเสวียได้ก็เป็นช่วงบ่ายคล้อยแล้วยี่ยาแต่งกายอย่างพิธีพิถันพาสาวใช้ทั้งสองออกจากจวนโดยไม่นั่งเกี่ยวสายลับที่ลักพาตัวนางในชาติก่อนแม้จะเก่งเรื่องการปลอมแปลงโฉมแต่นางก็จําเขาครงได้บ้างหากสามารถหาเขาพบเรื่องราวหลังจากนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น น่าเสียดายที่ตลอดทําให้พบนงาร่างที่คล้ายคลึงกันเลยเยี่ยยอรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะสายลับคนนี้คือภยัยเงียบที่ใหญ่ที่สุดทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่หอทิงสเสวียนนางก็ได้ยินเรื่องราวของคนที่ไม่ยากได้ยินที่สุดจนสิ้นอองรับสมัครสาวใช้อีกแล้วประกาศตามหาหมอก็เพิ่มเงินรางวัลด้วยนะแค่สมัครสาวใช้ที่ไหนกันพระชายายังสเสด็จไปไว่เจ้าแม่กวนอิมประธานบุตรที่วัสะเวียนกวงด้วยพระองค์เองเลยคงจะร้อนใจเรื่องซื่อจื่ออีกตามเคย สาวใช้ที่เข้าไปเป็นอนุในจวนอองตั้งมากมายไม่เห็นมีใครตั้งท้องได้สักคนซื่อจือคงจะไร้บุตรจริงๆนั่นแหละเย่เยาเดินผ่านไปพลางแค่นยิ้มเย็นไร้บุตรเรียกว่าไร้น้ำยาต่างหากนางพูดลอดไรฟันด้วยความเกลียดชังสุดขีดผสมปนเปไปกับความสะใจที่ได้เห็นเรื่องตลกเจียนเจียและป๋ายลู่อ้าปากค้างจนเกือบถึงพื้นคุณหนูท่านพูดอะไรออกมาเจ้าคะท่านรู้ได้อย่างไรกันเย่เยอตอบเรียบเรียบ ไม่สำคัญหรอกผู้จบก็เดินขึ้นชั้นบนไปเองทันใดนั้นแขกที่โต๊ะข้างๆก็เงยหน้าขึ้นมองตามหลังนางที่เดินขึ้นบันไดไปใบหน้าที่เย็นฉาดุดน้ําค้างแข็งและหิมะนั่นคือหลินเซินเมื่อครูนางพูดว่าอะไรนะหลินเซินมองไปยังเด็กหนุ่มสองคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามด้วยสายตายเย็นชาทั้งสองคนก้มหน้าลงสายตาลอกแลกนางบอกว่าบอกว่าซื้อจือท่านไร้น้ายาขอรับ ใบหน้าหล่อเลาของลิงเซริรนบูรบึ้งถึงขีดสุดในขณะที่เกือบจะขว่มโต๊ะเขาก็ข่มโทสะเอาไว้ได้นิ่งคิดครู่หนึ่งแล้วถามต่อนางเป็นใครคำถามนี้ทำเอาเด็กหนุ่มทั้งสองอึ้งไปแต่ท่านป้าที่โต๊ะข้างๆกลับตอบให้อย่างมีน้ำใจแม่นางคนนั้นดูเหมือนจะเป็นบุตรสาวสายตรงของจวนเจิ้นกังเย่ยเย้าใช่หรือไม่ได้ยินว่าจวนเจิ้นกัวกงกับจวนสิ้นอ๋องในราชาสำนักขิงก็ราขาก็แรงฝ่าบาททรงมีพระประสงค์จะพระราชาทานสมรสให้นางกับซื่อจื่อแห่งจวนสิ้นอ๋อง เรื่องนี้ใครๆก็รู้กันทั่วแล้วเป็นเรื่องที่แน่นอนดั่งตะปูตอกฝาทั้งสองตระกูลต่างเป็นขุนนางสำคัญของแผ่นดินฝ่าบาทไม่ทรงอยากล่วงเกินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลินเซิร์เลิกคิวมองขึ้นไปชั้นบนอีกครั้งประจบเหมาะกับที่เห็นแผ่นหลังของเยี่โยเดินเข้าห้องส่วนตัวไปพอดีกลับเป็นนางเสียได้ดูเหมือนนางจะไปพบคุณชายชูชูชื้อใช่หรือไม่ถูกต้องแล้ว คุณชายฉู่ผู้นี้โดดเด่นเสียจนเหล่าคุณชายจากระกูลขุนนางสูงสักทั้งหลายต้องชิดซ้ายทางอุปนิสัยและหน้าตาล้วนเป็นเลือหาผู้ใดเปรียบหรือว่าพวกเขาจะ้ะลินเซินขมวดคิ้วมุ่นไม่รู้ว่ากำลังคิดสิ่งใดอยู่จูจ่ๆเขาก็ลุกขึ้นเดินขึ้นชั้นบนไปทำเอาเด็กหนุ่มทั้งสองตกใจจนต้องรีบตามไปทันทีห้องรับรองบนชั้นสองของหอทิงเสวีร์ถูกกั้นไว้เพียงฉากกั้นสองบานอย่างเรียบง่ายทัศนียภาพยังคงเปิดกว้าง ทันทีที่หลินเซินพาเด็กหนุ่มทั้งสองนั่งลงในห้องข้างๆก็ได้ยินเสียงทุ้มนุ่มนวลของบุรุษผู้หนึ่งซึ่งดูเหมือนจะแสงไปด้วยความลำบากใจเล็กน้อยการพบกันครั้งล่าสุดก็นับเป็นเรื่องเมื่อสิบปีก่อนแล้วกระมัง <S <s <ummer> <S เหตุใดเจ้าคงไม่ได้ล้อค่าเล่นใช่หรือไม่ <S <s <ummer> <S ชูชื้อที่อยู่ในห้องรับรองข้างๆแม้จะรู้สึกรกระอักกระอ่วนแต่ยังคงรักษารอยยิ้มสุภาพเอาไว้ทว่าในส่วนลึกของดวงตากลับซ่อนความรู้สึกปาดปรืมใจที่คาดไม่ถึงเอาไว้จังๆเพราะประโยคแรกที่เย่เยาเอ๋ยออกมาอย่างร้อนรนก็คือ ที่ชูชื้อพรุ่งนี้ท่านตัมใจจะไปสู่ขอค่าที่จวนกัวกงหรือไม่มือที่กำลังรินน้ำชาให้นางของชูชื้อสั่นสถานจนเกิดจะทำการน้ำชาคว่ำก่อนจะเอ่ยประโยคข้างต้นออกมาเยีะเยอตอบกลับด้วยน้ำเสียงจรงิงจังเรื่องสำคัญอย่างการแต่งงานข้าจะล้อท่านเล่นได้อย่างไรเยอะเยอยังจำได้ว่าตอนเด็กๆ เ, เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อเติบโตขึ้นข้าจะแต่งงานกับบุรุษที่เป็นสุภาพชนเช่นพี่ชูชือ้อยามนี้เยอเยอเติบโตแล้วหรือว่าพี่ชูชื้อจะรังเกียจเยอวยอเสียแล้ว นางก้มหน้าลงดวงตาคลอไปด้วยหยาดน้ำตาท่าทางราวกับดอกสาลี่ต้องสายฝนนั้นดูน่าสงสารจับใจน้ำเสียงอ่อนหวานออดอ้อนนั้นทำให้หลิงเซิร์นที่อยู่ห้องข้างๆ ข, ง ข, งขมวดคิ้วมุ่นจนแทบจะเป็นปมแน่น